พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13พระสูตรที่42สองเสละสูตรสูตรว่าด้วยเสละพรามพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคุตราปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จแวะประทับณนะนิคมชื่ออปานะแห่งแคว้นนั้นเกรนิยาชดินคือนักบวชกล้าวผมเป็นเชิงชื่อเกรนิยะ ได้สดับกิตติศักดิ์เกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคก็ไปเฝ้าได้ฟังธรรมมีความเลื่อมใสจึงนิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปฉันพระผู้มีพระภาคทรงเตือนว่าภิกษุสงฆ์มีจำนวนมากถึงห2 5 0รูปถึงสองครั้งเกณิยาชดินก็คงยืนยันตามเดิมพระผู้มีพระภาคจึงทรงรับนิมนต์ ด้วยดุษณีภาพสำหรับข้อนี้การเลี้ยงพระแบบอินเดียแม้พระมากก็ไม่ต้องเตรียมภาชนะสำหรับพระเลยเพราะมีอะไรกี่อย่างก็ใส่ลงไปในบาททั้งหมดพระคงชันในบาททั้งของคาวหวานที่ต้องเตรียมก็มีบ้างเช่นภาชนะอาหารเตาหุงหาอาหารภาชนะใส่น้ำการผูออสนะ การเตรียมปืนทำเชื้อไฟเกนิยะชดินเตรียมบอกญาติมิตรให้ไปช่วยงานต่างก็ช่วยเหลือเป็นอันดีครั้งนั้นพรามชื่อเสละผู้เชี่ยวชาญในพระเวทเป็นอาจารย์สอนมนต์แกมานพสา0ร้อยคนในอาปณะนิคมทราบจากเกนิยะชดินถึงพระพุทธเจ้าก็เลื่อมใสาพาหมู่มานพไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค พิจารณาดูพระพุทธลักษณะเห็นต้องตามมหาภูริสลักษณะสาสองประการแล้วได้กราบทูลโต้ตอบกับพระผู้มีพระภาคโดยทูลเชิญให้เสวยราชพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพระองค์เป็นพระราชาในทางธรรมะทรงหมุนล้อรถไปโดยธรรมะเป็นล้อที่ใครจะให้หมุนกลับคือปฏิวัติไม่ได้ ทุนถามถึงแม่ทัพธรรมส่งชี้ไปที่พระสาวรีบุตรและได้ทรงแสดงธรรมสอนใจเรื่องอื่นอีกเซลาพรามพร้อมด้วยบริษัทก็ได้บรรพชาอุปสมบทเกนิยะชดินก็นิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุทรงไปฉันทรงอนุโมทนาปรารพเรื่องการบูชาไฟว่าเป็นประธานของยันตามแบบของพราม สาวิติฉันเป็นประธานของฉันเป็นต้นพระสงฆ์เป็นประธานของผู้บูชายันผู้หวังบุญพระเสละพร้อมด้วยบริษัทบวชแล้วไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์